ตอนที่ห้าโดดเดียวพวกหม่อมฉันขอทูลล่าเสียงคานรับดังก้องไปทั่วตําหนักชูหลิงที่ประทับอยู่บนบันลังมีสีหน้าเรียบเฉยสายตาจับจ้องไปยังกลุ่มคนที่ก้มหน้าก้มตาถอยออกไปจากทงหลักผู้นำกลุ่มคนเหล่านั้นก็คือหลี่จงความจริงอันโหดร้ายทําให้แผนการที่ชูหลิงเตรียมไว้ไม่มีโอกาสได้สําแดงผล นับตั้งแต่ลานกว้างจนสิบ อ, องทางทิศตะวันออกของนครจักรพันดิเดินทางมาจนถึงตำหนักต้าซิงในพระราชวังหวีเดิมทีเขาคิดว่าจะหาโอกาสใช้หลี่จงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในราชสำนักฝ่ายในไม่ว่าข้อมูลจะมากหรือน้อยอย่างไรเสียการได้รู้ไว้บ้างย่อมดีกว่าทว่าทันทีที่เขาถูกห้อมล้อมพาตัวเข้ามาในตำหนักต้าซิงก้นยังไม่ทันสัมผัส บ, บัลลังก์ดีกลุ่มคนที่มีหลี่จงเป็นผู้นําก็รีบทําความเคารพอย่างนอบน้อมแล้วถอยออกไปทันทีภายในถงหลักอันกว้างขวาง บัตนี้หลงเหลือเพียงชูหลิงเพียงลําพังลมด้านนอกตําหนักพัดแรงขึ้นชั่วขณะในจังหวะที่ประตูตําหนักค่อยๆปิดลงหิมะบางส่วนถูกลมพัดเข้ามาด้านในเมื่อเกิดหิมะตกลงบนพื้นอีกทองคามันก็ละลายกลายเป็นน้ําอย่างรวดเร็วชูหลิงประทับอยู่บนบันลังพางกว่าสายตามองไปรอบๆสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือเสาเคลือบทองขนาดใหญ่หลายต้นบนเสาสลักลวดลายมังกรและภาพมงคลต่างๆชูหลิงลองนับดูพบว่ามีเสาเคลือบทองถึง108ต้น ทงหลักแห่งนี้ต่อให้มีคนมาชุมนุมกันหลายร้อยคนก็คงไม่รู้สึกอึดอัดแม้แต่น้อยตำหนักต้าซิงคือพระราชฐานที่ประทับของจักรพริราชวงศ์อวีเป็นตำหนักเอกเหนือหมู่ตำหนักและวังทั้งปวงในราชสำนักฝ่ายในทงหลักแห่งนี้เป็นสถานที่สําหรับเรียกพบขุนนางอานดีกาและจัดการพระราชกรณียกิจประจําวันชูหลิงกําลังครุ่นคิดอยู่เรื่องหนึ่งขนาดพระราชฐานที่ประทับของจักรพรรดิยังหรูหราและกว้างขวางเพียงนี้แล้วระราช ว, งวังศวีและนครจกักรพรรดิทั้งหมดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเมืองอวีตูจะกว้างใหญ่เพียงใด พลักำลังของราชวงศ์อวี๋ช่างแข็งแกร่งนักอย่างน้อยก็ในทางกายภาพที่เห็นชูหลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางครุ่นคิดในใจอาณาเขตที่ปกครองคงไม่ใช่น้อยๆมิเช่นนั้นเพียงแค่การสร้างถงหลักแห่งนี้วัสดุที่ใช้คงรวบรวมมาได้ไม่ครบถ้วนแน่เมื่อไม่มีใครคอยรับใช้อยู่ข้างกายชูหลิงจึงทำได้เพียงคาดดาวสิ่งต่างๆด้วยตนเอง สิ่งที่ชูหลิงรับรู้มีเพียงเรื่องราวในช่วงก่อนอายุ6กขวบที่เขาเคยอาศัยอยู่ในพระราชวังหวีซึ่งได้รับรู้มาจากพระมารดาจากคนบางกลุ่มและจากประสบการณ์ของตนเองพออายุครบหกขวบเขาก็ต้องย้ายออกจากพระราชวังหวีไปพำนักที่จวนสิบ อ, องจวนสิบ อ, องไม่ได้หมายถึงจวน อ, องสิบแห่งแต่มันเป็นชื่อเรียกโดยรวมเป็นสถานที่พำนักชั่วคราวสําหรับเหล่าองค์ชายแห่งราชวงศ์อวีที่ยังไม่ได้ไปครองที่ดินศักดินาและมีอายุครบหกขวบขึ้นไปภายในจวนสิบ อ, องมีที่พำนักมากมาย หากจะหาที่ใดในเขตนครจักรพรรดิที่พอจะเทียบเพียงความยิ่งใหญ่ได้ก็คงมีเพียงสำนักร้อยหลานเท่านั้นคิดเรื่องเหล่านี้ไปจะมีประโยชน์อันใดชูหลิงที่กำลังจมอยู่ในความคิดสายหัวพลางยิ้มขื่นมุมปากปรากฏรอยยิ้มหยันถูกเลือกให้เป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ถูกต้อนรับเข้าสู่ตำแหนักต้าซิงด้วยพิธีการอันสูงส่งแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวความระแวดระวังนี้ช่างหนักหน า, นานักนี่จะเป็นความประสงค์ของใครกันไถห่วงไถเฮา หวงไทห่ยหองเห่ยเงาร่างของสตรีสามนางผุดขึ้นในสมองของชูหลิงเพียงแต่ภาพเหล่านั้นค่อนข้างเลือนรางพระนับตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในจวนสิบ อ, องเขาก็แทบไม่ได้ก้าวเท้าออกจากที่พำนักเลยตอนจักรพรรดิเวินเที่ยจงเสด็จสวรรคตเขาเคยออกมาครั้งหนึ่งตอนจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชและสถาปนาหองเห่ยเขาเคยออกมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเวลาอื่นชูหลิงแทบไม่เคยออกจากจวนสืบอ๋องเพราะการจะออกไปแต่ละครั้งต้องส่งคนไปแจ้งที่กรมหัดเล็กสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยทว่าสำหรับชูหลิงมันคือเรื่องใหญ่โตไม่มีเหตุผลอื่นใดก็ใครใช้ให้พระมาณดาของเขามีฐานะต่ำต้อยและตระกูลฝ่ายแม่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆในราชสำนักเลยเล่าเอียด ในขณะที่ชูหลิงกำลังจมอยู่ในพวังประตูตําหนักที่ปิดสนิทก็ค่อยๆถูกผลักเปิดออกด้านนอกตําหนักมีแถวของขันทีน้อยยืนเรียงรายพวกเขาต่างก้มหน้าต่ำในมือบ้างถือบ้างประคองบ้างหิ้วสิ่งของต่างๆนานาเช่นจักรพันธดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เสวยพระกรยาหารเมื่อชูหลิงเพ่งมองไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากนอกตําหนักจากนั้นกลุ่มคนด้านนอกก็เริ่มเคลื่อนไหวขันทีน้อยเดินเรียงแถวเข้ามาไม่ขาดสาย ชูหลิงประทับนั่งนิ่งมองดูผู้คนที่เดินเข้ามาหลี่จงไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้คนที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคือชายวัวการคนหลายคนนั่นทําให้ชูหลิงขมวดคิ้วมุนเป็นกลุ่มคนแปลกหน้าอีกแล้วถึงตอนนี้ชูหลิงมั่นใจได้ประการหนึ่งว่ามีคนกำลังระแวดระวังเขาอยู่และคนที่มีอำนาจทําได้ถึงขนาดนี้นอกจากสตรีสามนางนั้นแล้วก็ไม่มีใครอื่นอีนี่คือราชสานักฝ่ายใน พวกขุนนางบุนบูในราชสำนักฝ่ายนอกต่อให้มีอำนาจล้นฟ้าเพียงใดก็มิกล้า ส, สอดมือเข้ามาในราชสำนักฝ่ายในเด็กขัดยิ่งในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ใครกล้าทำเช่นนั้นก็โง่เต็มทีแล้วถอยไปชูหลิงได้สติกลับมาก็เห็นพระกระยาหาร ล, ลานตาถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบลงบนโต๊ะเสวยที่จัดเตรียมไว้ชั่วคราวส่วนคนที่เข้ามาในตำแหนักต่างก้มหน้าถอยออกไปทางประตูเดี๋ยวก่อนชูหลิงขมวดคิ้วตรัสตุบ สิ้นเสียงตัดกลุ่มคนที่อยู่ในสายตาก็พากันคุกเข่าลงกับพื้นทันทีจากนั้นผู้นำไม่กี่คนนั้นก็กราบทูลชูหลิงพร้อมกันเช่นจั ก, กรพันดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เสวยพระกระยาหารชูหลิงขมวดชู้หนักกว่าเดิมในน้ำเสียงของคนเหล่านี้เขาได้ยินถึงความหวาดกลัวแฝงอยู่เขารู้ดีว่ายามนี้คนทั้งพระราชวังหวีคงไม่มีใครอยากค้องไว้กับเขามากเกินไปถอยไปเถอะชูหลิงโบกพระหัตพยาค่ะทุกคนขานรับพร้อมกัน ภายใต้สายตาของชูหลิงคนที่คุกเข่าอยู่เหล่านั้นต่างหมอบราากับพื้นแล้วคลานเข่าถอยหลังออกไปแม้พวกเขาจะแสดงความนอบน้อมอย่างถึงที่สุดแต่ในสายตาของชูหลิงนี่กลับเป็นการดูหมิ่นประการหนึ่งและในวินาทีนี้เองชูหลิงก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดจักรพรรดิหุ่นเชิดที่เขารู้จักบางองค์ถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อลุกขึ้นต่อต้านความโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวอย่างถึงที่สุด ทั้งที่ตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับถูกกักขังไว้ในที่แห่งหนึ่งทุกคนต่างนอบน้อมต่อท่านแต่ท่านกลับไม่มีอำนาจตัดสินใจสิ่งใดเลยไม่ต่างอะไรกับนกในกรงทองปรับใดที่โอรสวรรค์สามารถรับประกันความปลอดภัยในระยะ19ได้นั่นก็ไร้ผู้ต่อต้านเพราะทั้งชื่อเสียงและอำนาจล้วนอยู่ในมือสายฟ้าหรือหยดน้ำทั้งล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณชูหลิงกำมัดแน่นจ้องมองประตูตำหนักที่ค่อยๆปิดลง แต่ปัญหาสําคัญในตอนนี้คือภายในระยะ19นี้กลับมีกระบี่นับไม่ถ้วนแขวนอยู่และไม่รู้ว่าจะตกลงมาเมื่อใดนี่คือจักรพัฒหุ่นเชิดไม่อาจควบคุมโชคชะตาไม่อาจควบคุมสถานการณ์ใหญ่ไม่อาจควบคุมแม้แต่ความชอบส่วนตัวแม้เบื้องหน้าชูหลิงจะมีกับข้าละลานตาแต่เขากลับไม่มีความอยากอาหารเลยแม้แต่น้อย ชูลิงเคยคิดว่าหลังจากตนเองได้เป็นจั ก, กรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์และเข้าพำนักในตำหนักต้าสิงสถานการณ์ที่ต้องผเผชิญคงจะเลวร้ายมากแต่เขาไม่คิดว่าจะเลวร้ายถึงเพียงนี้ตอนนี้เขามีความคิดมากมายแต่กลับไม่มีโอกาสได้ลงมือทําเลยทุกคนต่างหวาดกลัวเขาประดุดเสือร้ายแม้แต่คนที่คิดจะสวามิภักด์ก็ยังไม่มีในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้เขาอยากจะทําลายหมากระดานนี้เขาก็ยังหาจุดเริ่มต้นไม่เจอเขาถูกขังจนตายสนิทหรือว่าจากนี้ไปจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอด ชูหลิงรู้ดีว่าการเป็นจักรดิถูกลิขิธให้ต้องเป็นกวักูเจริญผู้อยู่โดดเดี่ยวเพราะความพิเศษของอำนาจจักรพรรดิไม่อนุญาตให้ใครมาแต่ต้องอำนาจล้นมือตัดสินใจเด็ดขาดเพียงผู้เดียวนี่คือสิ่งที่จักรพรรดิทุกองเฝี่ันและมันก็ลิขิธไว้แล้วว่าจักรพรรดิที่ต้องการสร้างผลงานจิตใจย่อมต้องโดดเดี่ยวทว่าความโดดเดี่ยวแบบนั้นกับความโดดเดี่ยวที่เขากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ชูหลิงต้องการ หากวันต่อๆไปยังเป็นเช่นนี้ชูหลิงรู้สึกว่าตนเองคงต้องเป็นบ้าแน่ๆตอนนี้เขาสงสัยเรื่องหนึ่งมีใครบางคนต้องการจะทําให้เขาเป็นบ้าความมีเหตุผลบอกชูหลิงว่าในยามนี้ต้องอดทนหากเขาเป็นบ้าไปจริงๆเขาก็คงไม่มีทางสืบรู้ได้เลยว่าใครกันที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้